2. ทุกขปุคละบัญญัติสบาุคคลผู้มักโกรธเป็นไฉนในข้อนั้นความโกรธเป็นไฉนความโกรธยิรยาที่โกรธภาวะที่โกรธความคิดประทุสร้าย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 บุคคลผู้ผูกโกรธเป็นไนในข้อนั้นความผูกโกรธเป็นไนความโกรธในเบื้องต้นชื่อว่าความโกรธความโกรธในเวลาต่อมาชื่อว่าความผูกโกรธความผูกโกรธยิรยาที่ผูกโกรธภาวะที่ผูกโกรธความไม่อยู่โกรธการตั้งความโกรธไวการดำรงความโกรธไว้การโผลลงไปตามความโกรธการตามผูกความโกรธไว้ การทำความโกรธให้มั่นนี้เรียกว่าความผูกโกรธบุคคลใดยังละความผูกโกรธนี้ไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ผูกโกรธสีบเจบุคคลผู้มักลบหลูเป็นไนในข้อนั้นความลบหลูเป็นไนความลบหลูกริยาที่ลบหลูภาวะที่ลบหลูความดูหมิน่นการกระทําความดูหมิน่นนี้เรียกว่าความลบหลู บุคคลใดยังละความลบหลู่นี้ไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มัรลบหลู่สี่สิบปดบุคคลผู้ตีเสมอเป็นไนในข้อนั้นความตีเสมอเป็นไนความตีเสมอิริยาที่ตีเสมอภาวะที่ตีเสมอสภาวธรรมที่เป็นอาหารแห่งความตีเสมอโดยนำเอาชัยชนะของตนมาอ้างเหตุแห่งความวิวาทความแข่งดีความไม่ยอมสละ นี้เรียกว่าความตีเสมอบุคคลใดยังละความตีเสมอนี้ไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ตีเสมอ 49. บุคคลผู้มีความริษยาเป็นไนในข้อนั้นความริษยาเป็นไนความริษยากิยาที่ริษยาภาวะที่ริษยาความเกลียดชังกิิยาที่เกลียดชังภาวะที่เกลียดชังในเมื่อผู้อื่นได้ลาบสักกะระ ความเคารพความนับถือปรางกราบไหว้และการบูชานี้เรียกว่าความริศยาบุคคลใดยังละความริศญานี้ไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีความริศยาห้าสิบบุคคลผู้มีความตรณีเป็นไนในข้อนั้นความตรณีเป็นไนความตรณีห้าอย่างคือหนึ่งความตรณีที่อยู่สองความตรณีตระกูล 3. ความตรณีลาบสความตรณีวันนะหความตรณีธรรมความตรณีกิริยาที่ตรณีภาวะที่ตรณีความหวงแหนความเหนียวแน่นความปกปิดความมีจิตไม่เผื่อแผ่นี้เรียกว่าความตรณีบุคคลใดยังละความตรณีนี้ไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีความตรณีห้าสิบเอด บุคคลผู้โอ้อวดเป็นไนในข้อนั้นความโอ้อวดเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้โอ้อวดจัดความโอ้อวดกิริยาที่โอ้อวดภาวะที่โอ้อวดภาวะที่แข็งกระด้างกิริยาที่แข็งกระด้างการพูดเป็นเลียมรูกิริยาที่พูดแอบอ้าง น, นี้เรียกว่าความโอ้อวดบุคคลใดยังละความโอ้อวดนี้ไม่ได้ บุคคลนี้เรียกว่าผู้โอ้โอวดห้าสิบสองบุคคลผู้มีมายาเป็นไนในข้อนั้นมายาเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตโมโนโทุจริตเพราะเหตุจะปกปิดทุจริตนั้นจึงตั้งความปรารถนาอันเลวทรามปรารถนาว่าใครๆอย่ารู้จากเราดําริว่าใครๆอย่ารู้จากเรากล่าวว่า ใครๆอย่ารู้จากเราพยายามทางกายว่าใครๆอย่ารู้จากเราความเจ้าเล่ห์ความเป็นคนเจ้าเล่ห์กริยาที่หลอกให้หลงความหลอกลวงความโกงความกลบเกลื่อนความหลีกเลี่ยงความซ่อนความซ่อนบังความปิดบังความปกปิดการไม่ทำให้ชัดเจนการไม่ทำให้แจ่มแจ้งการปิดบังอำพรางกริยาที่เลวทามเช่นนี้ นี้เรียกว่ามายาบุคคลใดยังละมายานี้ไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีมายา5้บสบุคคลผู้ไม่มีหิริเป็นไฉนในข้อนั้นความไม่มีหิริเป็นไฉนกิริยาที่ไม่ละอายต่อการประพฤติทุจริตที่ควรละอายกิริยาที่ไม่ละอายต่อการประกอบสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปนี้เรียกว่าความไม่มีหิริ บุคคลผู้ประกอบด้วยความไม่มีหิรินี้ชื่อว่าผู้ไม่มีหิริห้าสิบสบุคคลผู้ไม่มีโอตตปะเป็นไฉนในข้อนั้นความไม่มีโอตตปะเป็นไฉนคิริยาที่มีเกรงกลัวต่อการประพฤติจริตที่ควรเกรงกลัวคิริยาที่มีเกรงกลัวต่อการประกอบสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปนี้เรียกว่าความไม่มีโอตตปะ บุคคลผู้ประกอบด้วยความไม่มีโอตปะนี้ชื่อว่าผู้ไม่มีโอตปะห้าสิบห้าบุคคลผู้ว่ายากเป็นไนในข้อนั้นความเป็นผู้ว่ายากเป็นไนกรริยาของผู้ว่ายากภาวะของผู้ว่ายากความเป็นผู้ว่ายากความยึดถือข้างขัดขืนความพอใจการโต้แยง้งความไม่เอื้อเฟื้อภาวะแห่งผู้ไม่เอื้อเฟื้อความไม่เคารพและไม่รับฟัง ในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบนี้เรียกว่าความเป็นผู้ว่ายากบุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้ว่ายากนี้ชื่อว่าผู้ว่ายากห้าสิบหบุคคลผู้มีมิจฉ u เป็นไนะในข้อนั้นความเป็นผู้มีมิจฉ ua เป็นไนะบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาทุศีลสดับมาน้อยมีความตระนีมีปัญญาซามการเสพการซ่องเสพการส่องเสพด้วยดี การคบการคบหาความพักดีความจงรักพักดีต่อบุคคลเหล่านั้นความเป็นผู้มีกายและใจโน้มน้าวไปตามบุคคลเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้มีมิจฉ u บุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มีมิจฉ u นี้เรียกว่าผู้มีมิจฉ u ห้าสิบเบุคคลผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์เป็นไฉนในข้อนั้นความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์เป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปทางตาแล้วรวบถือแยกถือย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็เป็นเหตุให้บาปอคุโสธรรมทั้งหลายคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมไม่ระวังจากขุนศีไม่ถึงความสำรวมในจากขุนศีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโพธะพระทางกายรู้ธรรมารมณ์ทางใจ เป็นผู้รูปถือแยกถือย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็เป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรมทั้งหลายคืออภิชาและโทมนัะครอบงำได้ไม่ระวังจากขุนสีไม่ถึงความสำรวมในจากขุนสีความไม่คุ้มครองกิริยาที่ไม่คุ้มครองความไม่รักษาความไม่สำรวมอินทรีทั้งหกเหล่านี้นี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรี บุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์นี้ชื่อว่าผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ห้าสิบปดบุคคลผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นไงในข้อนั้นความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นไงบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่พิจารณาโดยแยบคายกลืนกินอาหารเพื่อเล่นเพื่อความมัวเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่ง ความเป็นผู้ไม่สันโดดความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการพิจารณาและบริโภคโภชนอาหารนั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคบุคคลผู้ประกอบดรวยความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคนี้ชื่อว่าผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคห้าสิบบุคคลผู้มีสติหลงลืมเป็นไนในข้อนั้นความเป็นผู้มีสติหลงลืมเป็นไน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 อวิชาอาวิโชคะอวิชาโยคะอวิชานุสัยปริยุทธฐานกิเลสคืออวิชาลิ่มคืออวิชาอากุศลลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าความไม่มีสัมปชัญญะบุคคลผู้ประกอบด้วยความไม่มีสัมปชัญญะนี้ชื่อว่าผู้ไม่มีสัมปชัญญะหกสิบเอดบุคคลผู้มีศีลลวิบัติเป็นไนะในข้อนั้นศีลวิบัติเป็นไนะ การล่วงละเมิดทางกายการล่วงละเมิดทางวาจาการล่วงละเมิดทั้งทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าศีลวิบัติความเป็นผู้ทุศีลแม้ทั้งหมดชื่อว่าศีลวิบัติบุคคลผู้ประกอบด้วยศีลวิบัตินี้ชื่อว่าผู้มีศีลวิบัติหกสบองบุคคลผู้มีทิฏฐิวิบัติเป็นไนในข้อนั้นทิฏฐิวิบัติเป็นไน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 ดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดรกชัดคือทิฏฐิปันดาลคือทิฏฐิความเห็นอันเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยคคือทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลทัทธิที่เป็นบ่อกเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยคลาดเคลื่อนนี้เรียกว่าทิฏฐิวิบัติ นิจชาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าทิฏฐิวิบัติบุคคลผู้ประกอบทิฏฐิวิบัตินี้ชื่อว่าผู้มีทิฏฐิวิบัติหกสบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายในเป็นไนะบุคคลใดยังละสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งห้าประการไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีสังโยชน์ในภายในหกิบสบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอกเป็นไนะ บุคคลใดยังละสังโยชน์เบื้องสูงทั้งหประการไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีสังโยชน์ในภายนอก 65. บบุคคลผู้ไม่มักโกรธเป็นไฉนในข้อนั้นความโกรธเป็นไฉนความโกรธกริยาที่โกรธภาวะที่โกรธความคิดประทุสาร้ายกริยาที่คิดประทุสาร้ายภาวะที่คิดประทุสร้ายความคิดปองร้ายกริยาที่คิดปองร้าย ภาวะที่คิดปองร้ายความพิโรธความพิโรธตอบความดุร้ายความเกลี้ยกราอดความที่จิตไม่เบิกบานนี้เรียกว่าความโกรธบุคคลใดละความโกรธนี้ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มักโกรธ66บุคคลผู้ไม่ผูกโกรธเป็นไนในข้อนั้นความผูกโกรธเป็นไนความโกรธในเบื้องต้นชื่อว่าความโกรธ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 67. บุคคลผู้ไม่ลบหลู่เป็นไนะในข้อนั้นความลบหลู่เป็นไนะความลบหลู่กิริยาที่ลบหลู่ภาวะที่ลบหลู่ความดูหมิน่นการกระทำความดูหมิน่นนี้เรียกว่าความลบหลู่บุคคลใดละความลบหลู่นี้ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่ลบหลู่ 68. บุคคลผู้ไม่ตีเสมอเป็นไนะ ในข้อนั้นความตีเสมอเป็นไนความตีเสมอกิริยาที่ตีเสมอภาวะที่ตีเสมอสภาวะธรรมที่เป็นอาหารแห่งความตีเสมอโดยการนำเอาชัยชนะของตนมาอ้างเหตุแห่งความวิวาทความแข่งดีความไม่ยอมสละนี้เรียกว่าความตีเสมอบุคคลใดละความตีเสมอนี้ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่ตีเสมอหกสิบเก้า บุคคลผู้ ม, ม, มนนนนีนิความริษยาเป็นไนในข้อนั้นความริษยาเป็นไนความริษยากิริยาที่ริษยาภาวะที่ริษยาความเกลียดชังกิริยาที่เกลียดชังภาวะที่เกลียดชังในเมื่อผู้อื่นได้ลาบสักการะความเคารพความนับถือการกราบไหว้และการบูชานี้เรียกว่าความริษยาบุคคลใดลาความริษยานี้ได้ บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มีความริษยาเจ็ดสบุคคลผู้ไม่มีความตระณีเป็นไงในข้อนั้นความตระณีเป็นไงความตระณีห้าอย่างคือหนึ่งความตระณีที่อยู่สองความตระณีตระกูลสความตระณีลาบสความตระณีวันะหความตระณีทำความตรณีกริยาที่ตระณีภาวะที่ตระณี ความหวงแหนความเหนียวแน่นความปกปิดความมีจิตไม่เผื่อแผ่นี้เรียกว่าความตระนีบุคคลใดละความตรณีนี้ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มีความตรณีเจ็ดสบอบุคคลผู้ไม่อ้วดเป็นไงนะในข้อนั้นความอ้อวดเป็นไงนะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้อ้วดเป็นผู้อ้อวดจากความอว้วกยุรยาที่อ้วด ภาวะที่โอ้อวดภาวะที่แข็งกระด้างกิริยาที่แข็งกระด้างการพูดเป็นเหลี่ยมขูกิริยาที่พูดแอ บ, บอ้างนี้เรียกว่าความโอ้อวดบุคคลใดละความโอ้อวดนี้ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่โอ้อวดเจ็สิบสบุคคลผู้ไม่มีมายาเป็นไฉนในข้อนั้นมายาเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริต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 ความซ่อนความซ่อนบังความปิดบังความปกปิดการไม่ทําให้ชัดเจนการไม่ทําให้แจ่มแจ้งการปิดบังอําพรางกิริยาที่เลวทามเช่นนี้นี้เรียกว่ามายาบุคคลใดละมายานี้ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มีมายาเจ็สิบสาบุคคลผู้มีหิริเป็นไนในข้อนั้นหิริเป็นไน ปริยาที่ละอายต่อการประพฤติทุจริตที่ควรละอายคิริยาที่ละอายต่อการประกอบสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปนี้เรียกว่าหิริบุคคลผู้ประกอบด้วยหิรินี้ชื่อว่าผู้มีหิริเจสบุคคลผู้มีโอตตะปะเป็นไนะในข้อนั้นโอตตะปะเป็นไนคะิริยาที่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริตที่ควรเกรงกลัว กิริยาที่กลิลกลัวต่อการประกอบสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปนี้เรียกว่าโอตตปะบุคคลผู้ประกอบด้วยโอตตปะนี้ชื่อว่าผู้มีโอตตปะเจ็สิบห้าบุคคลผู้ว่า ง, ง่ายเป็นไนะในข้อนั้นความเป็นผู้ว่า ง, ง่ายเป็นไนะกิริยาของผู้ว่า ง, ง่ายภาวะของผู้ว่า ง, ง่ายความเป็นผู้ว่า ง, ง่ายความไม่ยึดถือข้างขัดขืนความพอใจในการไม่โต้แยง้ง ความเอือ้อเฟื้อภาวะแห่งผู้เอือ้อเฟื้อความเคารพและรับฟังในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบนี้เรียกว่าความเป็นผู้ว่างง่ายบุคคลผู้ประกอบด้ว่ความเป็นผู้ว่างง่ายนี้ชื่อว่าผู้ว่างง่ายเจ็สิบหบุคคลผู้มีมิตรดีเป็นไนในข้อนั้นความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นไนบุคคลผู้มีศรัทธามีศีลสัสบบามากมีความเสียสละ มีปัญญาการเสพการซ่องเสพการส่องเสพด้วยดีการครบการครบหาความพักดีความจงรักพักดีต่อบุคคลเหล่านั้นความเป็นผู้มีกายและใจโน้มน้าไปตามบุคคลเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้มีมิติบุคคลผู้ประกอบดเรือความเป็นผู้มีมิตินี้ชื่อว่าผู้มีมิติเจ็ดสิบเจ็บุคคลผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์เป็นไน ในข้อนั้นความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์เป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รูปถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็เป็นเหตุให้บาปอากุณธรรมทั้งหลายคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมระวังจากขุนศีถึงความสารวมจากขุนศีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้น ถูกต้องโพธิภะทางกายรู้ธรรมารมทางใจเป็นผู้ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินีสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรมทั้งหลายคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมระวังมนินรีย่อมถึงความสำรวมในมนินีสีความคุ้มครองคิริรยาที่คุ้มครองการรักษาการสารวมอินทรีทั้งหกเหล่านี้นี้เรียกว่า ความเป็นผู้คุ้มครองทาว า, ารในอินทรีย์บุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้คุ้มครองทาว า, ารในอินทรีย์น้ชื่อว่าผู้คุ้มครองทาว า, ารในอินทรีย์78บุคคลผู้รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นไนใ น, ในข้อนั้นความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นไ น, นบุคคลบางคนในโลกนี้พิจารณาโดยแยกคลายแล้วกลืนกินอาหารมิใช่เพื่อเล่นมิใช่เพื่อความมัวเมา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 สติยุริยาที่ระลึกความทรงจําความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินสีสติพละสัมมาสติอันใดนี้เรียกว่าสติบุคคลผู้ประกอบด้วยสตินี้ชื่อว่าผู้มีสติตั้งมั่น80บุคคลผู้มีสัมปชัญญะเป็นไนะในข้อนั้นสัมปชัญญะเป็นไนะปัญญายุริยาที่รู้ชัดความวิจัย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 ปัญญาเหมือนศาสตราปัญญาเหมือนประสาสตความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐินี้เรียกว่าสัมปชัญญะบุคคลผู้ประกอบด้วยสัมปชัญญะนี้ชื่อว่าผู้มีสัมปชัญญะแปสบเอดบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นไน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 ปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิเช่นนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงมีผลผลวิปากของกรรมที่ทำดีทำชั่วมีผลโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณสัตว์ที่เกิดผุกขึ้นมีสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้า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 บุคคลสองจำพวกเหล่านี้หาได้ยากในโลกแปดสิบสี่บุคคลผู้ให้อิ่มได้ยากในโลกสองจำพวกเป็นไนคือบุคคลผู้เก็บสะสมสิ่งของที่ตนได้แล้วได้แล้วและบุคคลผู้สละเสิ่งของที่ตนได้แล้วได้แล้วบุคคลสองจำพวกเหล่านี้ชื่อว่าผู้ให้อิ่มได้ยากแปดสิบห้าบุคคลผู้ให้อิ่มได้ง่ายสองจำพวกเป็นไน คือบุคคลผู้มีเียบสะสมเสิ่งของที่ตนดได้แล้ ว, ลใใดลวได้แล้วและบุคคลผู้มีสละสิ่งของที่ตนได้แล้วได้แล้วบุคคลสองจำพวกเหล่านี้ชื่อว่าผู้ให้อิ่มได้ง่ายแปดสิหอาสวะของบุคคลสองจำพวกเหล่านี้ย่อมเพิ่มพูนบุคคลผู้รังเกียจสิ่งที่ไม่ควรรังเกียจและบุคคลผู้มีรังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจอาสวะของบุคคลสองจำพวกเหล่านี้ย่อมเพิ่มพูน แปสิบเจ็ดอาจวะของบุคคลสองจำพวกเหล่านี้ย่อมไม่เพิ่มพูนบุคคลผู้ไม่รังเกียจสิ่งที่ไม่ควรรังเกียจและบุคคลผู้รังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจอาจวะของบุคคลสองจำพวกเหล่านี้ย่อมไม่เพิ่มพูนแปสิบปดบุคคลผู้มีอัธยาศัยเลวเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทรามเขาย่อมเสพย่อมพบหา ย่อมเข้าไปนั่งใกล้บุคคลอื่นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวซามบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีอธัธยาศัยเลว89บุคคลผู้มีอธัธยาศัยปราณีตเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงามเขาย่อมเสพย่อมคบหาย่อมเข้าไปนั่งใกล้บุคคลอื่นผู้มีศีลมีธรรมอันงามบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีอธัธยาศัยปราณีต